ก็พาเพื่อนไปกินข้าวในร้านอาหารพอเข้าไปในร้านอาหารนี่คนก็มองเป็นแถวเลยมองมาที่ตัวเองอะ่ะแต่แกก็สงสัยมองอะไรวะใช่ไหมทําไมถึงมองทราบไหะเขาได้กลิ่นเหม็นแต่เจ้าตัวนี่ไม่ได้กลิ่นแล้วใช่ไม่มไม่ได้กลิ่นแล้วไอ้ใหม่ๆนี่ได้กลิ่นเหม็นเน่ยตัวหลังพออยู่ไปๆไม่ได้กลิ่น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 อย่างไปรักษาเป็นหมออยู่ที่ศิริลาถ้าเป็นหมอทางด้านโลหิตวิทยาตอนราว่าวันนึงเนี่ยก็มีคนมีนักศึกษาแพทย์นี่หามเพล เ, เ, ขเข็นเข็นเพลงของคุณลุงคนหนึ่งเข้ามาลุงคนนี้เนี่ยบอกว่าอ่อนแอมหรือเพลียมากสดเลยไม่มีแรงจนกรทั่งต้องนั่งเพลงต้องนอนเพลงมา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 ลงมาจากเปลเลยนะแล้วเข็นเปลออกไปข้างๆเลยเพราะถ้าหมอบอกว่ามันหายง่ายนี่ผมก็ไม่ต้องใช้เปลนะคือไม่ทันจะกินยาเลยแกกลับรู้สึกดีขึ้นตอนมารักษานี้ไม่มีแรงเดินนะใจไม่สู้อะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีแรงนะแต่ใจไม่สู้ใช่ไหมเพราไปคิดว่าตัวนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่านะเป็นมะเร็งมะเลือหรือเปล่านะเป็นมีอยู่ทเมีหรือเปล่านะก็เลยทําให้ไม่มีแรง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 ก็บอกตัวเองว่าทนได้หายใจออกบอกตัวเองว่าสบายมากหายใจเข้าทนได้หายใจออกสบายมากอธมอาจัดธรรมยตราเนี่ยจัดเดินเดินลนลงเรื่งองเสียงว่าลอมบนหลังเขาเนี่ยจัดทุกปีมาปีนี้ไปที่7จ็ดลเดินกันเวันกลางแดดประมาณเดือนเดือนพ ฤ, ฤศจิกา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 ติดประกาศเอาไว้หน้าหน้ากำแพงไอ้ประกาศนั้นก็หายไปวันรุ่งขึ้นนะไปเจอปรากฏว่ามันกลายเป็นกลายเป็นทราบเป็นแล้วจะเจรย์เจอนีมากเข้ามาเขา้ า, ขานี่เจก็โกรธนะโกรธนะพยายามทําเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลนเรียนอาชีวะสองเรียมก็ไม่ก็ดั่วโทรศาพท์เจมากขึ้นมากขึ้นบางทีก็ถึงกับครูว่าจะ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 ชีวิตนี่แย่มากคนเพิ่งอาอยุ24เองแล้วก็หมดอนาคตเลยแฟนก็ทิ้งแล้วตัวเองก็ไม่รู้จะอยู่ไปยังไงเพราะพ่ อ, พอแม่ก็แก่แล้วเพราะถ้าพ่อแม่แก่ะใครจะมาดูแลตัวเองเครียดมากการู้สึกชีวิตแต่ละวันนี่คือการรอบันตายแล้วก็อยากจะให้ตายสักทีแล้วก็ไม่ยอมตายสักทนะี5ปีผ่านไป10ปีผ่านไป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 กายเมื่อยมันไม่ใช่เมื่อยแค่กายฉันก็เมื่อยด้วยอันนี้แหละจะทุกข์เลยนะสติมันทำให้เราเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะอันนี้ต้องฟังให้ดีสติมันเห็นสติเห็นความร้อนที่กายแต่ว่าใจไม่เป็นผู้ร้อนด้วยเวลาเสียงแรงๆเสียงเสียงดัง ๆ, ๆมากระทบเนี่ยรู้ว่าเสียงมันเสียงมันดังมันระคายหู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 แม้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่แม้สุขภาพดีแต่ทุกข์ก็เยอะขณะที่บางคนพิการแต่มีความสุขบางคนยากจนแต่มีความสุขหรืออย่างพ่อค้าหาเล้ที่ถูกหวยยี่สิบล้านต่อหลังนั้นแกให้สัมภาษณ์นันสืดพิมพ์ว่าไอตอนแกเป็นพ่อค้าหาเล้ยหาช่กินค้าเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนๆแกยอมรับเลยนะว่าตอนที่จนมีความสุขกว่าคือ เจออะไร่ไม่สำคัญทกว่าเจออย่างไรทำไมอยากจะสูตนี้เห็นอะไรไม่สำคัญทักว่าเห็นอย่างไรได้ยินอะไรไม่สำคัญทักระว่าได้ยินอย่างไรได้ยินคำดา่าแต่ถ้าคุณได้ยินอย่างมีสติวันนั้นก็เป็นอภิมงคลพระอาหารหันต์บางรูปเนี่ยท่านเห็นหญิงสาวมายั่วยวน